พลนิ่งลงเป็นหนึ่งแล้วพระ อ, องค์รู้ได้ด้วยพระ อ, องค์เองว่าโอเพนิวาสารุจติยานรละลึกชาติขนหลังได้น่หลักของพระพุทธศาสนาให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าไปคิดว่าตายแล้วสูญตายแล้วเกิดอีกพระพุทธเจ้าท่านไปนั่งภาวนาทำจิตใจให้สงบท่านรู้ได้ด้วยพระ อ, องค์เองร่างกายเนี่ยคืออันหนึ่งจิตใจน่นคืออันหนึ่งร่างกายเหมือนกับรถหลวงพ่อบอกเปรียบเทียบให้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 พวกเราต้องมีการเสียสละในวัานะคือการเสียสละจากนั้นก็ให้อามิตฐรทานอามิตรทานคำนี้ก็คือการสงเคราะห์อนุเคราะห์สามีภรรยาลูกหลานวงศาคนายาตตลอดตลอดถึงทำบุญทำทานในพระพุทธศาสนาอันนี้เรียกว่าอามิตรทานการเป็นอยู่ต้องมีการมีน้ำใจต่อกันมีการเสียสละต่อกันถ้าคนขี้ตีทีเหนียว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 เมื่อเรารู้ว่ากรคำชั่วที่มันผิดกฎหมายเราอย่าทําเฉลยดีกว่าเมื่อเราทําลงไปแล้วเมื่อมันผิดกฎหมายแล้วกรคำชั่วมันผิดเเมื่อทําลงไปแล้วกฎหมายให้ผล เ, เราจะได้เข้าคุกเข้าตารางเมื่อภายหลังฮสิ่งเหล่านี้ขอฝากไว้กับพระนักจตหาญาติโยมลูกหลานทุกคนในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันกรรมชั่วอย่าทําเฉลยดีกว่า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 อิทธิฤททั้งหลายสู้กรรมไม่ได้กรรมเหนือกว่าฤทธิเดช ท, ทั้งหลายเพราะนั้นพวกขลาสมควรตายสมควรแก่กรรมที่ตนได้กระทําไว้นั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายสัตว์กนัชสัตา ย, ยาธิโยมทุกๆุหมูเ่เหล่าให้ฟังเอาไว้ว่าการทํากรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผล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 มั่งมีสีสุขร่ำรวยโชคดีทุกทุกท่านด้วยเธิน